عوض باللّه من الشيطان الرجيم. وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم. وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ع َ ا ل ِ م ُ و ا ط ِ ل َ ا م و إ ِ ن َّ ا ذ ي ن َ لَا يُ منون بالآخرة عن الصراط لنكبون. ولو رحمنا ك ش ف ن ا ما بهم م ن ولو رحمنا وكشفنا ما بهم م ن ُ ر لا لجوفيتوا نهم يعمهون. و ل َ قد أخذناهم بالعذاب. و ل قد أخذناهم بالعذاب. ف م س ت ك َ ن و ا لربهم. ف م س ت ك ن و ا لربهم. วَาไََ่ ر َรออุนขึ้นถ้า إذا َ ح ْ ن ا عليهم بابا حَتَّى า إذا َ ح ْ ن علي ا عليهم َ بابا بابان ذعذاب شديد بابان ذع شديد إذا هم فيه مبلسون إذا هم فيه مبلسون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ه ه الله م ม ي ยั ه งด ل ที ل ه ระเ ل ้าฟ้ ض แ ل ้ ل มุ่งลัลและไม่ยุ่ ل ลิลฟ้าแล้วหัดยาและฉัน ش ัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์อัลฮะและฉันอัลลอฮ์อัลฮะและฉันอัล ك อฮ์อัลฮะและฉันอัลลอฮ์อัลฮะและ ا ันอัลลอฮ์อัลฮะแล ب ิ سمِ اللهِ الذي لا يضر مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وَوَسَمِي الس العليم رَضِيتُ باللهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدِ ا, وب إ, أ ل ر َ س ُ و ل َ اللَّهُمَّ ي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ رَبَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ع ا ب ِ ا ل ن ا ر و ع ا ب ِ ا ل ق ب ر ا ل ل ه م ع ا ف ن ي ف ي ب د ن ي ว่าฟินีในสัมเวยวาฟินีในบัตริสุบฮันัลลอฮ์วับิฮัมดีฮี عددخلق ีวรีดานัฟซีว่า زينتعرش ีวามิดาคัลิมัตีศุลกากรุมาระหมัตุลลอฮ์วาราะกาทุพี่น้องที่ร่วมนมาสุบอห์ที่มัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลา เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาภาษาที่ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์สั่งบอกผ่านนบีมุฮัมมัดให้ท่านนบีเนี่ยมาสอนกับอุมาข้อท่านก็คืออัลฮัมดุลิลลาภาษานี้ภาษาเดียวครับที่ดีที่สุดแล้วก็อัลลอฮ์พอใจที่สุดอัลฮัมดุลิลลาแล้วก็ชูครว่าแล้กัลฮัมดุบรดาการสรรเสริญทั้งหลาย เป็นของอัลลอฮ์การขอบคุณทั้งหมดกับปัหาอัลลอฮ์หมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ไปลองครับเรา น, นอนหลับไปเมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เขาเรียกว่าให้ไหรให้เราได้หลับไปนะครับคนที่นอนไม่หลับก็มีดวงอาอ่านต่างหากนะอัลลอฮ์อะไรลืมไปแล้วอ้ <laughs> อา นึกไม่ออกนะครับคนที่นอนไม่หลับก็มีดูอาอ่านถ้าอ่านแล้วมันยังไม่หลับอีกให้นมาดเลยให้แปลงฟันอาบน้ำนมมาดเสร็จแล้วไปนมมาดความจริงนมมาดกลางคืนเนี่ยนะมันเริ่มตั้งแต่หลังนมมาดอิชาไปได้เลยเพราะว่าในเดียวรอมฎอนเนี่ยเรานมมารตราวีใช่หมนั่นแหละเขาเรียกวักกิยามุลเลนนะั่นแหะเริ่ม ตั้งแต่หลังนมาฎอิชาฉะด้านนอกเดือวนโมดอยก็เหมือนกันถ้าใครอยากจะนมาฎก็นมาฎได้เลยหลังจากนมาฎอิชาน่ยนมาฎได้เลยนะเป็นนมาฎกลางคืนแต่ถ้าหาว่าใครจะนอนหลับนอนไปก่อนนะอย่าเพิ่งนมาฎเราว่านมาฎได้นะนมาวิตเตสอย่าเพิ่งนมาฎพราะเราเหนียบมันจะลูกขึ้นนมาฎแต่ให้นอนก่อนนะเรียกว่าจะหัดหยุดต่หัดหยุดแปลว่า การตื่นในเวลาค่ําคืนนะครับถ้านมามหลังจากตื่นนอนแล้วเรียกว่าทหารยุทธ์ถ้าหากว่านามาตร น, นอนเรียกว่าตียามุลเลนนะครับจดลองว่าเราเอารูปแบบการนามาต่อเราวิ่งในเดืรรดอน رمضان มาชใช่ไหมเดือนร م ض ا ن เนี่อัลลอฮฺ เ, เมตานะให้นามาลังจากนามาติชาถ้าไปสั่งให้นามาตอนดึกๆึกกตีหนึ่งตีสองคจะแย่นะนะนี่อลัลลอฮฺเมตานะ ให้นมาดได้หลังจากนมาดอิชาทีนีถ้าเราจัดนมาดกลางคืนนี่อะไรพี่น้องเนี่ยหลังจากนมาดอิชาเสร็จแล้วนมาดสัก 8, แปดเราก็อาจเอาเก็บไปก่อนสักสีอ่าเดี๋ยวไปนมาด ต, ตอนตีสีอีกสี่เราก็อาจตามด้วยวิเตสได้เลยไม่มีปัญหาอัลมะหออะม์แนะนํนานบีสอนว่ากลางคืนให้นมาดเยอะๆเพราะอายุเราก็เยอะแล้วเข้าเลขได้แล้วเนี่ย เด็กห้ามีเลขหมีเลขเจ็ดมีพี่น้องเข้าใกล้อัลลอฮฺสุภานะหัวตาเด็กพี่น้องครับดัวาเนี่ยพี่น้องต้องอ่านตลอดเวลาเพราะว่าวันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องดัอาเยอะวันนี้น ะ, อะเอาวันนี้มาอ่านอายาที่เจ็ดสิบสามนะครับอายาที่เจ็ดสบสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอัลลอฮฺดีมากนะครับ ที่อัลลอฮ์ส่งนบีมูฮัมมัดสุลลัล ม, มาสอนศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเลยนะบอกว่านาบีเนี่ยไม่ได้ค่าตอบแทนทํางานศาสนาเนี่ ย, ยไม่มีค่าตอบแทนไม่เคยขอค่าตอบแทนจากมนุษย์ไม่เคยขอจากมนุษย์นะครับนี่เป็นคุารานเป็นหลักฐานนะ ความขอรอดอยู่รอบบีกับค่อยรุนขอรอดแปลว่าค่าตอบแทนหรือค่าจ้างเนี่ยนคะ่าตอบแทนอยู่ที่พระผู้อาิบาลของท่านนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าค่าตอบแทนที่มนุษย์ให้กันอยู่ที่อัลลอฮ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะมากเลยฉันั้นนบีเนี่ยทำงานเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยนะแต่ครับแต่อัลลอฮ์ก็เมตตาให้ท่านนบีได้แต่งงานกับภรรยาที่รวยที่สุดในนครมะกา นี่ก็คือรางวัลที่อัลลอ์มอบให้แต่ทรัพย์สมบัติของนางนี่ก็มอบให้ท่านนาบีเอาไวเ้เผยแผ่ศาสนาหมดเลยรวมไปถึงเงินของท่านอบูบัคัดร อ, อฮิละลลอฮุวาลฮูก็มามอบให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดบรรดาซอบบ้านนบีทั้งหมดที่มีฐานะการเงินก็ดูแลนะครับดูแลนบีครอบครัวนบีพี่น้องนั่นเขาหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์กันหมดเลย จากญาณานี้เนี่ยรวมไปถึงบรรดาอุลามะทั้งโลกเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าไม่ควรที่จะขอค่าตอบแทนจากอะไรนะจากประชาชนแือวันนี้ที่อุลามะรับเงินรับทอทงกันอยู่เนี่ยไม่ไดนะ้รับเงินรับทองเพราะสอนนะรับเงินรับทองเพราะหนึ่งต้องค่าเดินทางค่าเหนื่อยค่าน้ามันรถใครเน็ดก็ให้นึกแบบนี้แม่นึกว่าชั้นสอนนี่ก็ต้องได้ซาตัง สอนต้องเหมือนนบีคําสอนที่ออกไปต้องหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เท่านั้นทีนี้ก็ค่าตอบแทนก็มีรายค่าน้ํามันรถค่าเหนื่อยค่าเสียเวลาเขาให้กันตรงนี้แต่ไม่ใช่ให้เพราะสอนไม่ใช่นะครับทีนี้คนที่ปกป้องนบีเนี่ยปกป้องาศาสนาอิสลามก็คือบรรดาซอ บ, บ้านนบีปกป้องาศาสนาหมดเลยมีใครบ้างอะ่ะหนึ่ง พวกชูฮาดะน่ปกป้องศาสนาพวกสิดดีกีนปกป้องศาสนาโซลีฮีนคนซอและทั้งหมดปกป้องศาสนาหมดเลยอัมบียะเนี่ยสอนด้วยปกป้องด้วยแต่อีกสามกลุ่มนี่ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์เรียกว่าใจนะพวกสฮาบะนาบีสฮาบบะนาบีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผมเอ่ยัยนาอูมาตเพียงคนเดียวนะท่านปกครองประเทศอยู่กี่ปีนะสิบสองปี ตรวจทรัพย์สมบัติแล้วไม่มีรวยผิดปกติปรากฏว่าทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่ติดตัวตอนตายเนี่ยมีอยู่สี่รายการหนึ่งบ้านที่ทำมาจากดินสองล่อหนึ่งตัวนะครับอันที่สามเสื้อผ้าที่มีรอยขาดแล้วมีรอยปะด้วยปะด้วยขาดด้วยนะครับแล้วก็มีแท่อยู่อันหนึ่งเอาไว้นี่ง เวลาได้นาวมัดได้ยินเสียงอาจารย์ที่มัสยิดปาเม่ท่านเดินออกจากบ้านเลยนะเราก็ถือแท่นี่ไปเคาะประตูบานนี้สุลล่สลลสลลสลสลนี่ไงตัวลงมาตอนตายเนี่ยมีแค่สี่รายการเองปกครองประเทศมากี่ปีนะส2บสองปีเหลือสี่รายการมาดูในกการปกครองของโลกวันนี้เป็นไงรวยผิดปกติสแสดงว่า มันได้นึกถึงซอ บ, บ้านนบีฉะนั้นบรรดาซอ บ, บ้านนบีบรรดานาบีเนี่ยไม่เคยใช้ใจปัจจัยดุญยามาได้เอามาทไม่ได้มาผลาเลยสักนิดหนึง่งผมอ่านพบเมื่อคืนเนี่ยไซนานาบีมูซาอะเฮสลามเนี่ยมีเสื้อผ้าสองสมชุดที่อัลลอฮ์ส่งมาสอนฟาโร่เนะ่ฟาโร่โนะ่มีเป็นตู้แล้วก็ เพชพลอยเนี่ยโอ้ยทมงทองเนี่ยเต็มแขนเลยแต่ขณะที่คนมาเตือนฟาโร่เนี่ยมีเสื้อผ้าชุดสองชุดเท่านั้นเองเห็นไหมต่างกันมากชูรงบรรดานับบีเนี่ยไม่ได้ทำลายดุญยาแม้แต่นิดเดียวต้นไม้ ก, ก็ไม่เคยตัดสอนในเรื่องอีมานตักวายะกินอียานซานอิคลาสอัคลาของท่านนาบีสอนเรื่องเหล่านี้เรื่องปัจจัยดุงยาเนี่ยไม่เคยทาลายแม้แต่นิดเดียวนี่ไง ข้อแตกต่างระหว่างมุมินกับคนกาเฟรนะครับเอาวันนี้มาดูอายะที่7จนะครับที่น้องว่อินนัคละทัดดอุุมอิลาซีรัติมุสต์กมว่าอินนัคละทัดดอุุมอิลาซีรัติมุสต์กิม อัลลอฮฺอักุบะดกุณอ่านทุกอายะเนี่มันมั น, ม, นมันเป็นวะฮีนะมาจากอัลลอนะชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดนะขึ้นไปรับนี่ใช้เวลาเท่าไหร่อัลลอเล่าเองนะห้าร้อยลกอีหนะ้าร้อยหนึ่งนี่กุรอ่านแต่อายะแต่อายะมีความหมายหมดเลยครับนี่เป็นหลักฐานเป็นดารินเอาหลักหลักฐานอะไรครับอายะนี้ต้องการจะบอกว่าหน้าที่ของนบีนทำอะไร นะครับหน้าที่ของนบีเนี่ยมาทำงานแบบนี้วัยอิานนากะแต่แท้จริงท่านนบีกล้าไปว่าท่านแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดนั้นทำอะไรครับลาตาเดอโฮมท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยชักชวนดาญาโดดาวะนะเชิญชวนชักชวนอมานี่มานี่มานี่มานี่มาใจมาฟังศาสนามาเอาศาสนามายึดศาสนาลาตาเดอโฮม แ ท, แท้จริงท่านนาบีมุฮัมมัดนั้นได้ชักชวนพวกเขาล่าแน่นอนเป็นคำก็ว่าเน้นนะครับละแต่เดาท่านนาบีมีหน้าที่สอนเชิญชวนผู้คนเขาเหล่านั้นมาถึงคนคาเฟ่นัละกัพี่น้องไปสู่อะไรครับอิลลิสโรติมมุสตกีมสู่ทางอันเที่ยงธรรม อัลลอฮ์นี่เราอ่านอายะนี้ทุกวันใช่ไหมอิดินอสติรอตันมุสตีมอ่านวันที่เที่ยวอะนะมาถ้าห้าวาตูกับอัลลอฮ์เยอะนะสิบเจ็ละกัต์ น, นะนะสิบเจ็ดเที่ยวนะเดินมาสุนนัดอีกละเรวัดทิปอีละนมาดุฮาอีละนมาตะฮัดยุดอีกอ่านหนึ่งเยอะพี่น้องแต่หลายคนเนี่ยอ่านไม่รู้ความหมายพอไม่รู้ความหมายก็ทำชีริกเต็มไปหมดเลยนะครับ อ่นทีน่นี้นบีมุฮัมมัดกับน บ, บีคนก่อ น, น, นแตกต่างกันนะต้องต้องพออ่านคุณอ่านต้องนึกโอน บ, บีมุฮัมมัดกับบรรดาน บ, บีอีก24ท่านเนี่ยไม่เหมือนกันน บ, บียีท่านที่มานี่ยอัลลอฮ์ส่งมามาสอนเฉพาะคนเจาะจงหมู่บ้านหมู่บ้านใดอะไรหมู่หนึ่งหมู่ใดประเทศใดจังหวัดใดมาเจาะจงแล้วก็มีมีเวลาจํากัด กำหนดสถานที่กาหนดเวลาแน่นอนนะครับย้ายถานที่ไปไม่ได้เฉพาะตรงนี้เองอ่อย่างกับใครอ่ะนบียูนุสอะลัยฮิสลามสอนสอนศาสนาแล้วคนไม่อีมานท้อใจฉันเลิกแล้วไม่เอาแล้วจะอยากไปจะอยู่ที่อื่นเราวอกไม่ให้ไปขนาดลงเรือไปแล้วล้นก็ต้องกระโดดจากเรือใช่ไหมแล้วก็ปลาก็มามังหับไปไปน้อง ผมอ่านห น, นังสือบอกว่าขนาดตอนอยู่ในท้องปลาเนี่ยปลาพาอยู่ใต้ทะเลนี่นะเหมือนนั่งอยู่ในเรือนกระจกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในมหาสมุทรหมดเลยอะ่ะโอาจารย์อยู่ใต้ทะเลเนี่ยประมาณสี่สิบวันนี่เขเลยก็าถามบอกว่ากูโบอะไราที่พาคนเดินที่ยะฮูดีถามอุลามะบายซีดปัสตอมี ถางว่าอะไรนะกูโบอะไรที่พาศพเดินได้อุลามาตอ ว, ว่าก็ปลาของนบีอยู่นุ่นี่หิวดูเม่ทอมปลาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถามดีวยว่าสิ่งที่ไม่มีวิญญาณไม่มีรั้วที่เดินต่อ ว, ว่าใบตุลล้มีอะไร อ, อุลามามุสิกตบก็เรือนบีนวงอ่ะไม่มีวิญญาณไม่มีรั้วลอยน้ำไปพอเจอใบจุลล์ตอ ว, ว่าอลว่าอักบ ยิ่งใหญ่ขนาดไหนห้ามดียวเลยละอาเชนี้นบียูนสุสอยู่ในท้องปลากะเป็นน้องทหารออลลอยเป็นน้องฉะนั้นนบีมุฮัมมัดกับบรรดานาบีแต่ละคนไม่เหมือนกันบรรดานาบีที่ผ่านมามาสอนศาสนาเฉพาะกลุม่มแล้วก็เวลาก็จำกัดแต่นบีมุฮัมมัดนั้นไม่เฉพาะกลุม่มเอฟอะไรนะออลเดอะเวิร์สเลยอะเห็นไหมโอ้นะลิลอาลามีนยูนิเวิร์สนะ ใช่ดารานางงามยังว่าอยู่ u นเวิร์สได้ใช่หมผู้หญิงนางงามจั ก, กรวาลแต่ของนบีเนะี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะชั้นมอศาสนส า, าทั่วโลกเลยใช่นั้นนบีที่ผ่านมาเฉพาะกลุ่มนบีมุฮัมมัดจั ก, กรวาลเลยแล้วก็จำกจดจำกัดเวลาไหมไม่จำกัดเวลาคำสอนของนบีมุฮัมมัดอยู่ไปจนกว่าจะถึงวันขียะมโหเห็นไหม นี่ไงสางงามครับจากอายานี้ทาให้เรามีสมองอัลเปิดอโลอักบัฉะนั้นว่าอินกะละตัดดาวหุมอีลาซิรอติมอุสต์ติมจากอายานี้ให้เรามีความรู้ว่าคำสอนของนบีที่ออกมาจากบริมฝีปากของท่านเนี่ยทุกคำที่ออกมาเป็นคำพูดที่สัจธรรมไม่มีโกหก นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นคำพูดที่สะอาดบริสุทธิ์นำเอาไปใช้ในชีวิตได้เลยเพราะเป็นคุณนทรงที่ถูกต้องทำอยลางไรไปต้องดิ่งอ่ะพออ่านกุรุอาแล้วหัวใจเป็นไงครับอัลลอฮ์หัวใจมันชื่นองค์ชื่นใจเอากุรุอาตรงไหนที่บอกว่านบีมาสอนคนทั้งโลกเนี่ยอินนีรอสูลุลลอฮีอิไลกุมยามีอัลลอฮอักบตนบีนี่นะเป็นนบีของยินด้วยนะ เป็นนบีของทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้แต่ต้นม้เนี่ยนบีก็มาดูแลด้วยนะดูแลหมดเลยนะครับไยนาอาลีเล่าบอกว่าฉันเดินกับนบีฉันได้ยินต้นไม้เนี่ยพอนบีเดินผ่านเนี่ยว่าอย่าง น, นี้อัสสลามวะรกะยา رسول ลลอต้นไม้น่ะต้นไม้ให้สลามกับท่านนาบีย่างงี้ไยนาอาลีอิหม่านเพิ่มมนาะโอ้โหโหอิหม่านเพิ่มเล ไม่หาเงินก็อยู่ได้อีิมานมันเพิ่มพี่น้องฉะนั้นนบีเดินไปไหนมาไหนก็าตามแม้แต่ก้อนหินก็ยังสลามกว่ท่านนาบีต้นไม้ให้สลามกว่าท่านนาบีแต่มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนบีเฉยใช้มิมบัตรก่อนจะใช้มิมบัตรจริงนะนะมีมิมบัตอยู่ก่อนที่จะใช้มิมบัตรจริงมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่เขาเอาขอนไม้จากอินทรพลามมาเอามาวางไว้ นบียืนอ่านคุนบาทตรงนี้หลายครั้งพอต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งสร้างมิมบับทแบบสวยๆแบบมาเราปัจจุบันนี่นะเอามาแทนพอนบีออกจากบ้านมาเหยียบมิมบับทหลังอันอันใหม่นี่นะมิมบับทเก่าที่ทํามาจะกขอนมาเนี่ยร้องอ่ะภาษาหะดิษว่าอย่างงี้ฮันน่ฟาฮันน่ฮานีนูลีไอชาตฟาฮันน่ฮานีนูลลไชาตีภาษาหะดิษนะ ขอนไม้อันนี้มันร้องเสียงดังเหมือนอูดท้องสิบเดือนอูดเนีมันเจ็บท้องมันจะคลอดนะสิบเดือนมันร้องใช่ไหมอัลลอฮ์เนี่อลัลเลาะห์นบีนะครับเรามีหะ ด, ดีษรายงานบอกว่าขอนไม้ที่ท่านนบียืนอ่านคูตบ้านเนี่ยร้องเหมือนอูดสิบเดือนที่อุ้มท้องอยู่พอนบีได้ยินทำให้คนในมัสยิดนี่ได้ยินหมดเลยว่ามานี่มันร้องนะครับนบีก็ลงไปพี่น้อง พูดอย่างนี้วันละดีนับสี่มบยดีฮขอสา บ, บานต่ออัลลอฮที่ชีวิตของฉันอยู่ในประหัตของอัลลอเนี่ยเลา uh u, ่าล م อัตาซิมูถ้าหาฉันไม่เข้าไปกอดไม้ ข, ขอถ อ, อนี้มาซาลบาคิยนฮะติบันฮัตตะเยาวมันกี่ยุสนันอัลฟิราขีรสุะถอน้อนี้มันจะรอจนถึงวันกี่ยามะ เพราะมันเสียใจที่ท่านนาบีไม่ได้จากมันไปข อ, อนมายัางร้องไห้เลยพี่น้องนี่ไงพระแสดงให้เห็นว่านาบีนี่นี่ยมาสอนคนมาสอนสัตว์ด้วยมาสอนต้นมงต้นไม้ยินสอนหมดเลยคุ้มหมดเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ข อ, อนมาอย่างร้องไห้พี่น้องวันนี้เราพูดพูดกันพูดบวชพูดเพื่อให้กำลังใจก็คือว่าคนที่ไม่ฟังศาสนาเนี่ย ใจมันได้นเนี่ยข อ, อนไม้ดีกว่าไหมแน่นอนที่สุดนะข อ, อนไม้ยังดีกว่าเนี่ยข อ, อนมายังอยากจะฟังศาสนานี่คนเป็นมุสลิมแล้วพี่น้องอายุหกสิบแล้วล้อยังไม่อ่านกุณอ่านเลยมีไหมมีครับพี่น้องทํางานจะเชิญชวนพวกเราให้เรียนกุณอ่านอ่านกุณอ่านกันเยอะๆพี่น้องพอเรียนกุณอ่านแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอิมานก็เพิ่มพี่น้องทัางหลายโอันี่ดีไหม นบีถ้านบีไม่ลงไปกอดขอนไม้นะครับนบีพูดเลยนะขอนไม้นี่จะร้องจนกว่าถึงวันเกียวมาเพราะเสียใจที่นบีจากไปแล้วนบีสั่งนะให้เอาขอนไม้นี่ไปฝังบางรายงานก็บอกว่าพอนบีขนออกไปมันก็หายไปเลยไม่รู้ว่าหายหายไปไหนเห็นไหมพี่น้องนี่มันเรื่องจริงทั้งหมดอะไรที่ออกจากปากนบีเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะครับพี่น้องพี่น้องครับ อุ ม, มาของนบีมุฮัมมัดเนี่ยเรียนศาสนากับท่านนบีเนี่ยเป็นคนดีหมดเลยนะส่วนใหญ่เนะี่ยเป็นคนดีหมดเลยเอาซอบ้านนบีมีไปเท่ไรมีเป็นแสนนะนะแต่ซอบ้าน ท, ที่กล้าชิดนบีมีใครอย่างน้อยจะมีสิบท่านนะจาริกุลิตจาชื่อนี่แม่นผมเคยฟังท่านพยานจาแม่เลยสิบท่านนะแต่เราเอาขั้ีก่อนอบูบาการัรท่านอุมาท่านอุสมานท่านอาลีระดิยัลลอฮ์อานุมคนเหล่านี้เป็นคนทั้ง ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาเละเอาต่อมาครับพี่น้องคนที่เข้าใจศาสนาพี่น้องคำว่าศาสนาเนี่ยมีตัวแทนอยู่ห้าหกรายการหนึ่งอิมานสองอะไรตักวหนึ่งอิมานสองตักวสามอย่ายตีนอย่าีนหมายถึงมั่นมั่นใจในอัลลอฮ์ แล้วก็ตักวามาจึงหัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์อิฮซานทำความดีเหมือนกับอัลลอฮ์เราเห็นอัลลอ์ถ้าเราไม่เห็นอัลลอฮ์ต้องนึกว่าอัลลอฮ์เห็นเรานี่ไงเป็นอะไรนะเป็นความดีผ่านศาสนาหมดเลยแล้วก็อัคราของท่านนาบีทำความดีแล้วต้องเหมือนอัคราของท่านนาบีทีนี้มีคนถามว่าถามนาบีว่า คนท่าอีมานเข้าตาตักวาเข้าตะอี้ซานเข้าถ้าอยากตีนเข้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนถามดีไหมโอ้โหดีมากเลยนบีตอบคนที่มีอีมานถ้าเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาแล้วกระปินองจะมีสามรายการดีมากเลยกระปินองหนึ่งรายการที่หนึ่งก็คืออิจ da ah ัดดะขอลันูรุอิมฟาสฮัสซอดู เมื่ออีมานเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาแล้วอีมานกับเงินต่างกันนะเงินชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจใครเนี่ยพองหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ใชใชมีเงินเข้าไปเยอะๆถ้าไม่มีอีมานนะพองมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีเกียรติยศพองหมดแบบฟารโรห์หไปน้องแต่ที่ถ้ามีอีมานเข้าไปในหัวใจเนี่ยรีบครับรีบเลยไปน้อง สามรายการข้อที่หนึ่งตวัจจาอิลาดาลิลอาคิร้อหัวใ จ, จของเขาจะมุ่งสู่โลกอาคิร้อเลยดุลยานี่ก็เอาบ้านดุลยาใช่ไหมภรรยาดุลยาลูกดุลยารถดุลยาที่ดินดุลยาสวนดุลยาอาหารดุลยาเอาดุลยาไม่เอาแต่ไม่เอาน้อยกว่าโลกอาคิร้อแต่นั้นคนถ้ามีอิมานเข้าไปในหัวใจป้าพี่น้องตวัจ จ, า อ, า, จ, จาอิลาอิลอาคิร้อ ห, หัวใจนี่มุ่งกับโลกอาคิรอเลยพี่น้องเหมือนใครเหมือนนบีเหมือนซาฮบะนบีที่ก็าทำกันข้อที่สองพี่น้องอินะบาตุอิละดาริลฮุลูอินะบาหมายถึงตาบาตัวข้อที่สองเนี่ยพยายามทำอะไรผิดผิดนึกหมดเลยโอ้นอ้ น, นั้นเคยทำมาผิดอันนี้ไมผ่ผิดผิดผิดทางศาสนาหมดเลยพี่น้องวันนี้ตาบาตัวแล้วอัสซาฟุลลอฮ ต่อบาตรตัวพี่น้องถอนออกจากความผิดแล้วก็ไม่หันกลับไปทำความชั่วเหมือนเดิมแล้วก็นมามาเพิ่มขึ้นเรียนาศาสนาเพิ่มขึ้นอ่านกูณอ่านเพิ่มขึ้นติดต่อกับญาติพี่น้องเพิ่มขึ้นอยู่ในวงในบ้านก็เปลี่ยนแปลงนิสัยหมดพี่น้องไม่ดุไม่ตะวาดเหมือนสมัยก่อ น, น, นหรอกนี่ไงเพราะอิหม่ามมี่เข้าปลาตัวมันรีบพี่น้องข้อที่สามพี่น้องครับอิสติยาดลินเมาดให้เตรียมตัวตาย คงว่าเตรียมตัวตายอย่าไปตีความหมายว่าเตรียมลงนะเตรียมผ้าขาวนะไปแลกสตังเอามาแจกก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคนละเรื่องเลยพี่น้องเตรียมตัวตายก็คือพี่น้องก็รู้ใช่มไหมนามาจะให้ขาดใช่ไหมอากาศอยากให้ครบบริบูรณ์อัลลอฮฺฮุอะบดถือศีลอดสม่ําเสมออ่านกุรอาสม่ําเสมอมามัสยิดสม่ําเสมอดูแลลูกสม่ําเสมอเป็นห่วงนะเป็นห่วงครับเนี่ย คุณร้หมว่าถ้าหัวใจของเขามีอีมานเข้าไปแล้วมันจะมีสมรายการหนึ่งอะไรตวจฮะตวจฮอิลลอาคิราะมุ่งหน้าสู่โลกอาคิราะมากกว่าสู่ดุนยาอันที่สองอะไรนะอัลอนาบะตาบะตัวตออัลลอ์อันที่สามเรียกว่าอะไรครับอิสตยาดิลเมาเตรียมตัวตายอัลลอฮ์เป็นนึก นึกตลอยเวลาเนี่ยฉันนี่จะตายเมื่อ่ยังไม่รู้นะแล้วที่มันตายง่ายจะตายไปวันซื้อเนี่ยสายการบินอินเดียนะขูะเบิดมันลงฉุกเฉินจะเป็นสวรรณภูมิใช่มีบันดายื่นลงมาเนี่ยผมนึกแล้วเนี่ยกัวตากนันหมดนะ่ะอ้ละกลัวตายทำอะไรไม่ได้เตรียมตัวตายเลยสักนิดหนึ่งพี่น้องอย่างเราเนี่ยเห็นภาพนั้นนะกลับมาในตาว่แล้ว ฉ, ฉันไม่เอาแล้ว ตบบ้างบเนี ALLY, ่อตอบตัวกันแล้วแต่หลายคนไม่รู้สึกตัวนะครับเอานะครับนั่นอายาที่หนึ่งนะครับต่อมาอายที่เจิว่อินัลทินัลยุมินุนบิลอาคีรออนอิศราติละนาิบุน وإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ ا ل ص ِّ ر َ ا ط ِ عَنِ ا ل ص ِّ ر َ ا ط ِ ل َ نَكِبُونَ ا ل ل ه ُ أ ك َ ك ب َ ر ดีมากมาเลยอายะนีเนี่ยอายะนีสอนว่าคนกาเฟสนะคนกาเฟสคนมุนาฟิกคนอะไรอีกล่ะ คนมุสลิมกินนะครับมีอิหม่ามอ่านอิหม่ามอ่านะจ๊ อ, มม อ, อันดีมากนะมันจำได้อ่านอะไร <laughs> ผมนึกไปไอ้ลืมไปแล้วอ่านอะไรมั้ไปลืมไปแล้วไอ้ลากาแฟอ่านว่าง่งม า, มาเยเีลืมไปแล้วอ่านทจะนึกความหมายมันดีมากเลยนะเอาละ แท้จริงว่าอินนัลลาลีนะแท้จริงบรรดาอัลลาดีนะบรรดาผู้ที่ล้าอยูมินูนบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาเห็นไหมไม่ศรัทธาแสดงว่า إ ي م านไม่เข้าเข้าไหมลนะ่ะมีแต่ ด, ดุลยาเข้า إ ي م านไม่เข้าพอเงินเข้าตำแหน่งเข้าเกียรติยศเข้าชื่อเสียงเข้าเอลลาหลอดไป้องวัตถุเข้ามาไปต้องครับ ลายูมินูนใครก็ตามที่ไม่ศรัทธาว่าโลกอาคิรอมีจริงอสดงว่าอยู่บนดุนยานี่โลกเดียวใช่ไหมล่ะอาคิรอมไม่มีเป็นไงครับอานิสซิโรตลานากีบูนแน่นอนอานิสซิรอตลานากิบนาคิบแปลว่าหันห่างพวกเขานั่นเป็นผู้หันห่างจากอะไรนะ ขนทางที่แท้จริงขนทางที่ถูกต้องตัวงว่าคนที่อยู่บนดุนยาใบนี้อีมานของเขาในใจไม่มีคำว่าอีมานต่อโลกอาคิอร้อี إ ي م านหกข้อไหนพี่น้องอีมานต่ออัลลอฮ์ไม่มีอีมานต่อมะาัายกาไม่มีอีมานต่อรอซุนไม่มีอีมานต่อคัมีไม่มีอีมาน ต, ต่อวันอาคิร้อ์ไม่มี إ ي م านต่อกดกอดอดกดัดไม่มีแต่เป็นอะไรครับ คำตอบก็คือลานาคีบูนพวกนี้หันห่างจากทางที่ถูกต้องแล้วถามว่าไม่นึกถึงอาคิโรเสียอะไรทำลายตัวเองคนที่ไม่นึกถึงโลกอาคิโรว่ามีจริงนี่นะทำลายตัวเองนะะอๆนี่ไปน้องลองตายดูสิแค่ตายอยู่ในกูโบไปน้องก็ร้องโวยแล้วแค่วิญญาณออกจากร่างไปน้องยังไม่ได้ถู ใส่ลงในไปน้องครับแค่พอจับใส่ลงปั๊บนะวูยแล้ววัว ย, ยังไงรู้ไหมลาตุกอดิมูนีคุณจะพาฉันไปไหนเนี่ยอร่าเล่าให้ฟังนบีเล่าให้ฟังนี่อะไรเพราะผลจากการที่ไม่เชื่อโลกอาคิร้อยอย่างเดียวกันไปนองพอไม่เชื่อโลกอาคิร้อยทําอะไรเพื่อโลกดุนยาหมดเลยมีเงินก่นดุนยามีบ้านมีที่ดินมีรถมีสัรพัสแต่ถ้ามีอาคิร้อยเนี่ยนึกอะไรก่อนพอมีเงินปับ๊บ นึกอะไรครับอากาศอ่าเห็นไหมสองนึกสดอดกาสานึกถึงฮาดียะสี่นึกถึงวาคัฟถ้านะคนถ้ามีอิมานไปแล้วพอมีเงินปั๊บเนี่ยกับคนกาเฟสนะ่นึกไม่เหมือนกันนะ่ะคนกาเฟสพอมีเงินปับ๊บไม่ศรัทธาต่ออาคิรอเอจะทำยังไงหาความสุขใส่ตัวใช่มอออเห็นไหมบางคนต้องกินอาหารที่ห้องกกงอะ่ะ ต้องไปทำซีนาในพี่น้องทุกประเทศไปมาหมดเลยต้องไปถึงกรุงเทพนะเตีาตีความกันอ่ะต้องทำซีนาให้ได้ต้องไปนอนกับผู้หญิงในกทมเนี่ยดุญยาเป็นอย่างนี้พี่น้องแคะนั้นคนที่ไม่เชื่อโลกอาคิรอลเนี่ยทำลายตัวเองทำลายอนาคตตัวเองแต่คนที่ศรัทธาต่ออาคิรอลพี่น้องครับเขาจะไม่ถูกสอบสวนถูกทรมานในโลกอาคิรอลเอาล่ะพี่น้อง คนที่เดินมามัสยิดเนี่ยใจต้องนึกดูนะฉันนี่มามัสยิดเนี่ยต้องมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ด้วยรางวัลตอบแทนที่อัลลอ์จะให้กับคนที่เดินมามัสยิดพี่น้องครับตอนอยู่ในกูโบโเนี่ยเวลาอาจาบมาการทรมานมาการลงโทษมาหาเราพี่น้องครับถ้ามาทางด้านศรีรษะเนี่ยอะไรปกป้องรู้ไหมนามาถ้ามาด้านหน้าอะไรปกป้องอกาศปกป้องพี่น้อง ถ้ามาด้านด้านขวามือมีความดีปกป้องหมดไปน้องถ้ามาด้านเท้านี่นะ่ะการเดินมามัสยิดปกป้องหมดเลยไปน้องฉะนั้นอามันชิสอนและบนโลกดุญญนยาใบนี้สามารถดูแลคุ้มครองตัวเราในกูโบ่ ด, ด้วยและในทุ่งมาชัดด้วยฉะนั้นคนที่ไม่ศรัทธาต่อโลกอาคิรอดไปน้อง Akbar, อัลลอฮอัลกุบะดีพมอ่านทาริสพบอะไรเงี้คนที่ไม่ศรัทธาต่อโลกพออัลลอพูดดีนะ ก็คือคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์อาคนที่ไม่ศรัทธาว่าโลกอาคิรอมีจริงแสดงว่าเขาปฏิบัติตามใครนะตามอารมณ์เอาคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์น บ, ณบีสอนอย่างนี้นะครับฟาซาดุลอินซานยาคูนุอาลาวาจาฮิเนมนุษย์จะได้รับความหายนะเสียหายเพราะสองรายการรายการที่หนึ่งอิตติบะอลุลฮาวะ เขาปฏิบัติตามอารมณ์อารมณ์ของใครก็ไม่รู้ของมนุษย์เนี่ยจะเป็นอารมณ์ยุคไหนก็ตามใช่ไหมเราคนยุคหลังนี้ปฏิบัติตามอารมณ์คนยุคก่อนพี่ใช่ไม่เชื่อวันโลกอาคีรอดมีจิตเสียหายครับวาซาลิกามุหักเขาจะได้รับความหายนะแน่นอนเรื่องที่สองบอบะดาติอยริลลไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ นี่ก็หายณะหมดเลยครับพี่น้องฉะนั้นคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์พี่น้องเขาจะไม่เคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผ้าเจ็ดแปดสีที่ผูกหัวเรือเนี่ยถ้าอากิดาผิดนะเพี้ยนนะถ้าเข้าใจว่าไอ้ผ้าสีแดงสีเขียวสีเหลืองที่ผูกหัวเรือเนี่ยมันช่วยพายุโอ้โหเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่ยนะอกิดาพิจารณาแล้วพี่น้องฉะนั้นใครที่ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ นามาซึ่งความไหยาณะกับตัวเขาเองใครก็ตามที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของคนหนึ่งคนใดก็ตามที่ไม่ได้มาจากสุนัขนบีเขาได้รับความหายาณะแน่นอนใช่ไหมน้องผู้เราคนนี้เดินลูกโตตะเกียวกับเบากันเยอะแลยนะแใจคนพูดปลายตัวเกียรไม่ได้เพื่อมันจะเล่นงานเอาอ่ะเพราะมันเสียรายได้เพราะมันมีมีคนโทรศัพท์มาหาผัวอาจารย์ผมจะเอาแพะไปปล่อยเนียอเพื่ออัลลอฮ์ได้ไหม อ, อตอบไงพุณว่าไม่ได้คุณเรียนแบบใครอ่ะปล่อยปอยแพะ่ะปล่อยอูดปล่อยไก่เรียนแบบใครเรียนแบบตุรตกียเรียนแบบทำไมอะชื่อเล็ก <c oughs> เอาแพะไปปล่อยเอาวัวไปป ล, ออล่อยอัลลอฮ์เนี่ยมันเรียนแบบคนอื่นหมดเลยจะนั้นเอาแพะอันนี้ไปให้ชาวบ้านเลี้ยงเพื่ออลัลลอฮ์ อ, อย่างนี้ดีหรือเอาแพะมาเชื่อเลี้ยงคนยากก็จะอันนี้ดีเหมือนฝังกะนี้ อย่าไปเรียนแบบคนฝรั่งโน้นเอาแพะไปปล่อยปล่อยที่ไห น, นละใครดูละให้สุเราเลี้ยงอะ่ะมันก็ต้องให้ใครสองคนหนึ่งอย่างนั้นเอาท่านเลี้ยงไปนะแล้วก็มาโตแล้วก็เอาแพะนี่จะเชื่อทําบุญเลี้ยงเด็กกับพ้าอย่างนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับคนที่ไม่เอาศาสนาพี่น้องไม่เชื่อโลกอารา์เคโรไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ในวันเกียรมั้งส่วนยาอยู่ในานารกหมดผมจะเอยเฉพาะสามรายการนะ คนอยู่ในนรกพี่น้องฟันของเขาเขี้ยวของเขาตกนรกแล้วใหญ่หมดเลยพี่น้องเขี้ยวของคนชาวนารกในแบบดอตสุดกาเฟรเขี้ยวของคนกาเฟร์นี่นะใหญ่ยยเหมือนกับภูเขาอุหุตพี่น้องไปทําพัดไปมองภูเขาอุหุตด้วยเอาละเขี้ยวของคนกาเฟรใหญ่เท่ากับภูเขาอุหุตนี่เรื่องจริงครับ ข้าี่อิมา穆มมสลิมบอกเลยพี่น้องต่อมาครับยิ่ดหูหนังของคนคาเฟท่ที่ไม่เอาศาสนาที่ไม่เชื่อโลกอาคิรอดมีจริงพี่น้องตอนอยู่ในนรกนะ่ะหนังของมันเป็นไงครับยิ่ดูมาซีรตุซาลาสติไอายามความหนาของมันเดินพี่น้องเดินเนี่ยใช้เวลาสามวันถึงจะพน้น ยาหนาขนาดไหนทําไมต้องหนามีคนถามผมทําไมต้องหนาเวลามันร้อนเขาชอขยับขยับขยับขยับคือโอโลมันเลื่อนอยทั้งพรมานสุดนะ่ะนี่หนังขนาดนี้โอโลนัง่งนิดเดียวแต่วันนั้นอนะ่ะสามวันเดินสามวันหนหนังของมาใเห็นไหมพี่น้องเอามาดูอีนิดอย่างอีกเรื่องหนึ่งลายนี้กับลาย น, นี้ของคนงกาเฟสที่อยู่ในนรกหัวไหลนะหัวไหลของมันนะครับชาย า, าณฐานะแบบวัยวัย วิ่งสามวันโอ้ยใหญ่มากเลยเพือนเห็มนมผลจากการที่ไม่เอาอิสลามไม่เอานาบีมุฮัมมัดไม่เอากูรานไม่เอาซุนนะนบีปฏิเสธโลกอาคิอระองไม่เอาอัลลอฮ์ไปน้องอัลลอฮ์ตอบแทนให้สวยไหมไม่สวยเลยไปน้องอามาดูผมเอ่ยเรื่องเก่าดีๆนะคนที่อยู่ในสวนสวรรค์คนที่อิหมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ลักษณะของนบีหกคนใช่หรือไม่ใช่ ไปอยู่ในร่างของคนที่อยู่ในสวนสวรรค์6คนมีใครบ้างความสูงเหมือนนบีอาดัมต้นมะพร้าวแล้วหลอนะสวยนะนะครับในนรกแค่ฟันอย่างเดียวแล้วกับภูเขาอุฮุดต่างกันไห้ไพื่อน้องอถามว่าจะไปสวรรค์ดีหรือจะไปนรกดีถ้าไปสวรรค์ความสูงเหมือนนบีอาดัมความหล่อเหมือนนบียูซุฟอัลฮิสลาม อัลล์พี่น้องอายุเท่ากับนบีไอซาสาปีสามนบีแล้วนะหัวใจของเขาผูกพันกับอัลลอฮ์เหมือนนบียูนุสอะลัยฮิสลาามตอนนบียูนุสอยู่ในทองปลาคิดถึงใครตัวตะเกียร์่ะไม่ใช่คิดอย่างนี้ครับละอิละฮะอิละอันตะสุบฮานะกออินนีคุนตุมินัลโวลิมิอย่างนี้แหละอัลลอ์ยกตัวอย่างว่าคนนี้เป็นคนดีขณะยู่ลำบากที่สุด อยู่ในท้องปลาที่สุดแล้วยังคิดถึงฉันเลยเอา้าแล้วก็ภาษาภาษาสวิตทั้งนั้นะภาษาพูดแล้ววานใครฟังนี่โอชชื่นใจเหมือนใครใไหมเหมือนนบีดาวูดอะลัยฮุสสลามข้อที่หกอัคราคที่หกอัคราคเหมือนใครครับเหมือนนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮุสสลามอัคราคของนบีนี่อัลลอฮ์พอใจนะดีกว่าคนทั้งหมดในโลกใบ น, นี้ อัคราดดีมากครับพี่น้องเอาขอพูดอักรากนาบีนิดนึงนะสามรายการนาบีไม่ทำทั้งชีวิตเลยนะนบีไม่ทำหนึ่งอัลมิรอไม่ชอบทะเลาะกับคนไม่เถียงกับคนนบีไม่เถียงรับเอาเชิญตามสบากผมไปแล้วเรื่องที่สองนบีไม่เคยวางท่าเตะท่าโอหงังอวดดีนบีไม่ทำเอานี่ไปชาดีไหมนบีไม่หวงนะ นบีไม่ส ง, งวนเล็กสิทธิ์นะเอาไปใช้ได้เลยอุมาของนบีอุมาหนะ่าจะเอาอักรามีไปใช้เรื่องที่สามีน้องไม่เรื่องที่ไม่มีผลประโยชน์ในโลกอาคีรอดนาบีไม่ทําถ้าทําแล้วอาคีรอดไม่มีไม่มีรางวัลนี้ไม่ทําคะนั่นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นบีไม่สนใจเลยแะ่นั่นสนใจสามรายการนาบีไม่ทำหนึ่งอะไรนะทะเลาะกับคนรวมไปถึงทะเลาะกับภรรยาที่บ้านด้วย ใช้ตอนเนี่ยมันชอบนะถ้าสามีภรรยาคุยมาเกินสามคำทะเลาะ ก, กันนะมาแล้วฉันมีงานแล้ววันนี้สบายมากเลยอยู่ในกิ่นของคนทะเลาะ ก, กันฉันชอบนี่ไงคนถ้ามี إ ي م านปั๊บพี่น้องครับเรียนสุนนะนะเบีกับภรรยาก็ไม่ทะเลาะ ก, กันกับลูกก็ไม่ทะเลาะ ก, กันใช่ไหมนี่ไงผลจากการมี إ ي م านถ้าไม่มี إ ي ม ا ن นะหาเงินหาทองหาเงินหาทิสกีหาชื่อเสียงตำหนัง เกียรติยศใครผิดถูกเล่นงานเลยแต่อยูอย่อยู่กับอีมานกับอัลลอฮ์นี่เป็น้อง Allah อัลลอฮ์อัตบยิ่งใหญ่เอาเอากระเป็ น, นอ้องอ่ะทีนี้อานิสซีรอดคำว่าหนทางเนี่ยมันมีทางอะไรนะทางที่ที่ถูกต้องกับทางที่ไม่ถูกต้องทางที่ถูกต้องเนี่ยอัลลอฮ์นำมานะเป็นน้องนะและคนที่ปฏิบัติธรรม ตามทางที่ถูกต้องในมียูซีกลุ่มที่ผ่านมาแล้วนะ่ะทางที่นบีนําเอามาทางของอัลลอฮฺซีรอตุนมุสตาตีมทางที่อัลลอฮฺให้มานี่นะ่ะคนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมิูซีกลุ่มใครสอนนะนบีอธิบายหนึ่งบรรดา น, นัลลอยู่ในทางที่ถูกต้องหมดเลยกลุ่มที่สองเ ร, นะราอ่านฟาติฮะซีรอตุนละดีนะ่อันนัมต้าไลฮิมขนทางที่อัลลอฮฺส่ง อานาันน้ำท่านได้ประทานความโปรดปานให้กับพวกเขาพวกเขาไม่รู้สีกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มบรรดานบาบีกลุ่มซิดดีกีซิดดีกีอย่างจักรไซนาะอบูบากาตย์ได้ชื่อว่าซิดดีก์นะพออับีลงมาจากเมียรอนลงมาพอเล่าให้ท่านอบูบากชันเชื่อเลยบางคนสงสัยจะใช่หรือไม่ใช่นบีขึ้นจริงหรือเปล่าตัวมุส ต, ตัดไปเต็มเลยพี่น้องนะ ไนอุมัดมานี่ไอ้ไซซาอบูบักันลงจากเมีรอดลงมาเนี่ยตกมุดตัดไปหลายคนน่ะแบบวันนี้กับมันกันชีอามาตกมุดตัดกันเยอะนะไม่ต่างกันเลยท่านอบูบักเลยพี่น้องท่านอับีขึ้นเมีรอดลงมาข้างล่างพี่น้องตกมุดตัดไปหลายคนวันนี้เมืนอไงพอชีอามาดังเหนืซุนนาตกมุดตัดกันเต็มไม่ต้องอะไรเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจซุนนาไหนพี่น้องสาวบ้านนับีถูกด่ารับได้ไหม แต่ช่ยาดีใจดูมันทำเลยดีใจได้ยังไงคนตกมรดจอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นซีรอตัลีนะอันน้ตลหิมหนทางที่ถูกต้องคือหนทางที่อัลลอฮ์ได้ประทานความโปรดปานให้แก่เขาแล้วนั่นก็คือบรรดาอับบีทั้งหมดเป็นคนอยู่ในหนทางที่ถูกต้องสองครับอัสสิ ด, ดีกีนอันที่สามชูฮาดาคนที่ตาย ปกป้องศาสนาแล้วเสียชีวิตในคุณทางของอัลลอฮฺอันข้อที่สี่ซอลีฮีคือพวกเราอ่ะที่นั่งอยู่ในมัสยิดหลังนี้เป็นซอเลี่ยทั้งหมดเราหมายาเป็นคนอนแหกนี่ปกป้องศาสนาใช่หรือไม่ใช่เรียนศาสนานี่ยเอาไปเอาไปปรับปรุงตัวเองเอาไปสอนภรรยาเอาไปสอนลูกใช่ไหมแน่นอนแะเอาความดีที่ได้จากความรู้จากกุปกานเนี่ยเอาไปพัฒนากลุ่มอื่นไม่มีครับทุ้คนเอาต่อมาครับอายาที่เจ็ดสิบห้า ولو رحمنا وكشفنا ما بهم من ذر، للاجوف في ت ا ن ي ه م يعماهون. ولو رحمنا وكشفنا ما بهم من ذر. ลาลลจูฟีตุกยานิหิมยามะฮนอัลลอบัอายานี้สอนเราสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งสอนเล่าอัคลาบของคนกาเฟตนิสัยของคนกาเฟตเป็นยังไงวะเลวรอฮิมนาเล่าปว่าถ้าหาก เราหิมนาแปลว่าเราเมตตานะครับวากาชัฟนาและเราปลดเปลื้องนะครับเมื่อเราเมตตาพวกถ้าหากเราเมตตาวากาชัฟนาและปลดเปลื้องมาบีหิมจากพวกเขามินดุรินความทุกข์ หรือความยากความลําบากมุซีบะ๊กเดือดร้อนออกจากพวกเขาคนฝั่งโน้นเนี่ยเวลาอ AH, ัลลอฮฺเมตตาพวกเขาเมตตาดูกันอะไรครับพี่น้องขจัดความเดือดร้อนออกไปขจัดความลําบากออกไปขจัดปัญหาเดือดร้อนออกไปเช่น น, น้ําท่วมลามท่วมเนี่เป็นเปนะ็นบลาแผ่นดินไว้เป็นบลา แห่งแล้งอย่างภาคอีสานเป็นบะระสมัยนบีมุฮัมมัดปีที่แปของฮิจรัตสักราชะไปน้องคนมุชลิกินในพุนกรมักการเนี่ยด่านาบีใส่ร้ายนาบีทำลายนาบีนบีทนไม่ไหวบางทีก็อลัอลอลอ์นานๆครั้งนะอลัลลอ์จะเล่นงานหน่อยเถอะอัอลลอฮ์นบีสั่งนะให้ แผ่นดินในนครมกานั้นแห้งแล้งเหมือนสมัยนบียูซุฟเจ็ดปีพอ น, นานๆครัง้ง mm hmm. เออเนบีไม่ได้ขอเรื่อยไปน้องนานๆถูกเล่นงานทนไม่ไหวแล้วทนทนทนทนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ้าวเออเราะะจะลงโทษหน่อย <c oughs> ให้แห้งแล้งแห้งแล้งประมาณเจ็ดปีไปน้องคนเหล่านี้ก็แย่อย่น้องครับแล้วไปหาเนาบีท่นานพี่ชาช่วยขออุอาที พอนบีขออุอาอัลลอฮ์ก็รับให้ความแห้งแรงนะําหมดไปให้ฝนตกลงมาพี่น้องครับหัวใจเป็นไงครับลาลัตยูพวกเขายังดื้อรัน้น巴拉หมดแล้วแทนที่จะนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์กลับดื้อรัน้นฟีตูเรนิหิมอยู่ในความดื้อดึงยามาฮูนเด็กชายพี่น้อง หันหลังให้ตาบอดเลยสามอย่างนะดื้อรัน้นดื้อดึงตาบอดนี่นิสัยของคนกาเฟ่คนฝั่งกระนู้นเว ล, อลาอัลลอฮฺขจัดความทุกข์ออกจากตัวของเขาแทนที่เขาจะนอบนอ้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺเขาทำไงครับเขาดื้อรัน้นเขาดื้อดึงเขาตาบอดไม่ยอมเห็นหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลามาดูคนฝั่งกระนี้ อัลล์คนฝังคนนี้พี่น้องครับอายุกตัวอย่างสามเอานาบีสามท่านก่นแล้วกันนะนบียูซุฟอลัยฮิสสลามตอนถูกโยนลงไปในบอ่อไม่รู้ว่าอยู่กี่คืนกี่วันไม่รู้นบีนึกถึงใครครับนึกถึงอ AH. ัลลอฮ์เห็นไหมนึกถึงอัลลอ์ตอนอยู่ในความลำบากนะนึกถึงอัลลอ์อ่านสองสองประโยคอัลลอฮูอะลั ว่าตลอดเลยพี่น้องละอีละฮะอินละรอให้ไหมยอยู่ในความละบากเขาไม่ลืมอัลลอฮ์นบียูนุสอลัยฮิสแลมพูดหมาอีกครั้งหนึ่งตอนอยู่ในท้องปลาลืมอัลลอ์ไหมไม่ลืมครับอ่านว่าไงครับละอีละฮะอินละนตะซุบฮะนักใหญ่ในคุณตัวมนอัลลอฮ์เลมินไม่ลืมอัลลอ์พี่น้องครับ นบีมูฮัมหมัดก็สอนอุมม่าของนบีมูฮัมหมัดเมื่อได้รับความลําบากอย่าทําตัวเมืน็นคนฝังคะนู้นคนฝังคะนู้นพี่น้องเย่อหยิ่งจองหองตาบอดอวดดีดือ้อด้านดื้อดึงแต่คนฝังกนี้ให้ทําอย่างนี้แต่หากท่านพี่น้องไม่สบายเจ็บหัวเขายกตัวอยากเจียแค่เจียหัวเขาก่อนนะเจียหัวเขานี่เป็นเป็น巴拉ไหมเป็นบ巴拉ครับเป็นฟิทนาไหมเป็นฟิทนาครับเป็นอาซาบไหมเป็นอาดาบครับ นบีสอนอย่าทาตัวมันคนฝังกระน้นให้เอามือเนี่ยจับที่หัวเข่าถ้าหัวเข่าเจ็บนะให้อ่านบิสมิลลาหสามครั้งบิสมิลลาบิสมิลลาบิสมิลลาอัลลอฮุมาอซูอาซูบอิซซติลาฮิวกดรติฮิมินชัริมาดูวอูฮซิรให้ว่ายังงี้เจครั้งอาซูบอิซซติลาฮิวกดรติฮิ มนชารีมาอาเยดูวาอูฮาศิโรให้ว่ากี่เที่ยวเจ็ดเขี่ยวคนฝั่งนี้เวลาได้รับมูซีบะเขาไม่ลืมละลายเห็นไหมครับนี่พออ่านอุอาบทนี้ป้าไปน้องครับถ้าไม่หายการเจ็บไข้การเจ็บหัวเข่าของเขาได้รับการลดหย่อนโทษทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันดีไหมคนฝั่งนู้นไปน้องได้รับมูซีบาได้รับความเดือดร้อนพลบุญ ไม่เพิ่มขึ้นไม่มีอะไรเพิ่มเลยมีตาใจกระด้างดือ้อรั้นดือ้ดอดึงตาบอดแต่คนฝังต น, นี้ตรงกันข้ามครับนี่ไงคนที่มีอ ي มา ن ผ่านนาบีมีมุซีบ้าเกิดขึ้นไม่เคยเย่อหยิงจองของหลายคนไปน้องครับนี่มีอยู่คนหนึ่ ง, งเธอคอนเสตเนี่ยไฮรีเนี่ยที่อาจารย์แทนมวฮัมหมัดตอนซูบโบเนี่ยคนสูงๆใหญ่ๆเนะี่ยไม่สบายนะ อาการผมในว่าจะอินนารินล้วนะตอนนี้อัลลอฮ์ให้หาแล้วตอนนี้มาอาญา น, นห้าเวลานะแต่เวลาสุบโบนหะกวันมาอาญาหกวันตอนสุบโบนกลับตัวพี่น้องคนฝั่งกันน้นไม่มีใครกลับตัวสักคนพี่น้องฟาโร่กลับตัวเปล่าคณะตั๊งแปดก้ารายการเอาเล่นงานอัลลอฮ์อัลบาตคนฝั่งกนนี้พี่น้องครับมีอาซาบมีมุซีบ้ามาเดือดร้อนมากลับเนื้อกลับตัวกนวันหมดยิ่งไปทาลลําพัดกลับมาอัลลอฮ์พี่น้อง นี่อะหลายคนกลับเนื้อกลับตัวเพราะฉะนั้นอายานี้พี่น้องครับสอนให้เรารู้ว่าทำตัวแบบไหนที่อรรรักถ้าทำตัวแบบนี้ว่าแล้วระฮิมนะถ้าหากอัลลอประทานความเมตตาให้แกเขาว่ากาชัฟนาและเราได้ปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากเขามินดิลมินดุรินอาความทุกข์ออกไปแล้วลาลัยูพวกเขารัน ฟีตุกยานีหิมอยู่ในความดื้อดึงย่ามาฮูนพวกเขาตาบอดอย่างแน่นอนเห็นไหมเอารอพี่น้องน้องครับเป็นอย่างนี้ท่านพี่น้องเดินไปนี่นะนนั่งรถไปไปเจอรถชนกลางถนนเห็นรถชนกลางถนนพี่น้องให้อ่านดูอานะอย่าทําตัวเนคนฝังขนูนนะ ทำตัวเาคนฝังกันน Al ี้นบีสอนอย่างนี้ครับพี่อ่านดูอาบทนี้ครับอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัลิ عافاني มิมมะบัตะลักบิฮิวฟัลด์ลันีอัลาคีซีริหมิมมันขอละกอตัฟดีลนี่เป็นดูอาอิทนบบีสอนคนที่อ่านดูอาบทนี้เป็นมังรเจอรถชนกลางถนน พอเราอ่านดูอาบทนี้ปั๊บอัลลอจะไม่ให้เหตุการณ์ชนิดเดียวกันพบกับเราดีไหมเอาออกไปไปเจอคนพิการไปน้องเป็นโรคเรือดยกตัวอย่างเนี่ย อ, อัลลออักบัรเห็นภาพอ่านดูอานจะอ่านค่อยๆนะอัลฮะมดุลิลาลาฮฺอลเซีอาฟานี มิมมบตลาบิฮิว่าฝัดลนีอัลาคซีริมมิมมันคอละกอต๊อดีล่ะพราะอันแบบนี้แบบโรคเรือนแบบนี้อัลลอจะปกป้องจากเราเช่นเดียวกันเครงบินอินเดียมาจอดที่โซนน้ำมที่หนีบันไดเลื่นออมานี่นะเรารู้แล้วอลเลาับอลฮัมดุลิลลาฮิละดีอาฟานีมิมมะบัตลาคับิฮิว่าฝั่ดัลนีอัลลาคาซีริมมิมมันคอละกต๊ดีละเราจะไม่พบกับเหตุการ แบบแอร์อินเดียเกิดือเพราะเราขี่กครืบินบ่อยเดยกไปเจอ <c oughs> คูระเบิดตาจริงไม่นะอย่างนี้เป็นต้นได้รับความลำบากไม่ลืมอัลลอฮฺแต่คนฝั่งโน้นได้รับความลำบากขจัดความลำบากออกแล้วพยงพองเป็นต่อไม่รีบแต่คนฝั่งนี้รีบหมดเลยไปทั้งหลายมาดูัยนาอุมัสตอนตอนถูกแทงอ่ะตอนถูกแทงกำลองละอลัลลอฮฺเพราะถูกแทงภาพนะั้ล้มไปว่าไงรู้ไหม ฮัสบิอัลลอฮ์ละอิลลาอิลลาอัพูดคำนี้เลยให่นไหมคนที่หัวใจผูกพันกับอัลลอ์ได้รับความลำบากพี่น้องเขาจะนึกถึง الله, อัลลอ์อัตโนมัติอัลลอ์จะให้เขาออกภาษานี้ออกมาทันทีพี่น้องแต่ถ้าเราไม่นึกถึงอัลลอ์มันดจดสิกเก็ตถึงอัลลอฮ์พี่น้องตอนตายกะเก่ากะเลยมาไม่ได้อะเราต้องการตายดีใช่ไหม ตายดีๆตายที่สามารถกล่าวกอริมาเตาฮีตได้ก่อนวิญญาจะออกจากร่างพี่นอ้องไปทำดุลิญลาพี่น้องครับเอาพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับคนอื่นได้รับความทุกข์เราไปเยี่ยมเขาเราต้องไปขอดุอาให้เขาด้วยเอาลออย่างพ่อเราไม่สบายอ่ะมันต้องไกลมันต้องไปแบบคนฝั่งนี้อย่าไปแบบคนฝั่งนูน้น ไปถึงภาพไปนั่งที่หัวนอนพ่อแล้วก็เอามือจับที่หนะ้าผากพ่อหรือจับที่มือพ่อว่าไงนะอัลลอฮุมมัสฟีอันตัชชัฟีลาชิฟัอิลลาชิฟัยุกชิฟัอัลลอยุดิรุสักกมันลาบัสะตาฮูรุนอินชาอัลลอ์อิมัมบุคอรีกับมุสลิมรายงานอันี้มาีปน้องครับหรือไปอ่านดุอาอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้มูอับบา้รายงานบอกว่าใครที่ไปเยี่ยมคนป่วยเป็นการป่วยที่ยังไม่ถึงอาญานะไปน้องครับ ให้กล่าวดูอานตรงนี้ที่ศีรษะของกายไม่ต้องไปจับนะให้อ่านอย่างเดียว อ, อลัลลอฮัลอาลีมรับบัลอารชิลอัลีมอ ย, ยัชฟิยะกะนะครับ อ, อลัลลอฮัลอาลีมรับบัลอารชิลอัลีมอ ย, ยัชฟยะกะแปลว่าพระผู้อภิบาลแห่งบาลังอันยิ่งใหญ่ฉันขอดุอาต่ออัลลอ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ขอพระองค์ได้ทรงให้เขาหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย คนฝั่งคันนี้เขามีอักลากใครมีมุซีบ้าเดือดร้อนรู้ข่าวก็ว่าไงอินอารินลาฮิวะอินาอิลาฮิราะเยูนถ้าคนป่วยไปเยี่ยมก็ด้วยไปน้องแต่คนฝั่งคา น, นู้นไปน้องเห็นไหมไปน้องอ่านคุณอ่านได้ข้อเตือนใจเยอะมากครับไปน้องทั้งหลายเอาไปน้องอีกนิดหนึ่งไปน้องคนฝั่งคานู้นไป น, น้นนองครับ คนฟังโน้นนะ พ, พูดดีนะเราเราไม่ได้ไปว่าใครนะคนฟังกันคนฟังกันนี้เป็น้องครับเวลาได้รับสตังเวลาได้รับรีสุขีของอัลลอฮ์มาบริจาคไปแล้วนะนึกถึงนะจักาดนึกถึงฮัตตยานึกถึงอะไรนะวากาฟนึกถึงซาดากโกจ่ายไปแล้ว กลัวจ่ายไปแล้วกลัวนมาสไปแล้วกลัวถือบวชไปแล้วกลัวทำพายีกลับมาแล้วกลัวไปเยี่ยมพ่อแม่แล้วขอกรากลับมากกลัวอีกว่ากุลอาสอนอย่างนี้ว่ากูลูบูหุมวะจีละอันนั่หุมอิละรอบบิหิมรอัยอุนว่าใจคนคนฝังครณีหลังจะทําความดีทุกรายการไปแล้วกลัวว่าอัลลอฮฺจะไม่ รับความดีอัลลอฮ์นี่สอนดีไหมพี่น้องครับสอนดีมากแล้วรัอัลลอฮ์สอนนะ น, นี่นะฉะนั้นคนที่เป็นมุมลินพี่น้องครับทําความดีไปแล้วนมาตาฮัดหยุดแล้วพี่น้องบริจาคแล้วอย่าอัลลอฮ์รับความดีของฉันด้วยกลัวอัลลอฮ์จะไม่รับกลัอาตุลหมายครับวากูลูบูฮุมวาจีละหัวใจของพวกเขานั่นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเกรงวันประวัน อันนหุมอิลารอบบิหิมรอเยอนแท้จริงเขาจะต้องกลับไปหาอัลลอ์ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะรับความดีหรือเปล่าแต่คนฝังคานุนเวลาได้รับริสกีของอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องครับมุทรฟีหิมคุณอานที่ผ่านมามุทรฟีแปลว่าอะไร น, นะเอาเงินเอาทองนั้นมาบำเรอความสุข คนฟังคนนี้นึกถึงอากาศนึกถึงสดอกก็นึกถึงฮาดียากอนไปน้องแต่คนฟังคนนูน้นพอได้เงินปั๊บเนี่ยความสุขฉันต้องการจะหาใส่ตัวยังไงฉันต้องการจะหาเกียร์เพราะเงินนี่ยังไงฉันต้องการจะหาตําแหน่งเพราะเงินนี้อย่างไรมัคนคนฟังคนนู้นไปน้องอัลลอฮฺพูดตะเกีกุล่าวว่ามุธรอฟี่หินเขามีเงินแล้วเขามีชื่อเสียงแล้วเกียรติยศแล้วเขาหาความสุขกับเกียรติยศ หาความสุขกับเงินหาชื่อเสียงกับเงินหาตําแหน่งกับเงินแต่คนฟังกรณีตรงกันข้ามครับนี่ไงเป็นน้องครับคนที่มีหัวใจเต็มไปด้วยอีมานกับหัวใจที่ไม่มีอีมานมีแต่เงินเกียรติยศชื่อเสียงตําแหน่งวัตถุคิดคนละอย่างไม่เหมือนกันนะครับทุกท่นานขอมาเอาตัวรอให้เราคิดแบบคนฟังกรณีเยอะๆนะเป็น้องบางคน เ, นเป็นคนฝังนีณีก็จริงอ่ะแต่มันจะไปคิดบป็คนฟังนกน่ะมีไหม มีใครไน้องทา่าไรพี่น้องครับผมอ่านอีกขดจิตในพี่น้องนะท่านท่านอุสมานเป็นซาวบ้านอับีคนนี้มารับอิสลามซาวบ้านคนนี้คนนี้มารับอิสลามใ ค, นนคนนมมพี่น้องเทาไหรมารับอิสลามเสร็จแล้วก็ป่วยไม่สบายไปหาท่านอับดีอ๋อพี่น้อง ป่วยไปหาท่านนาบีน้พี่น้องไปเล่างนาบีนาบ้นาพี่ฉันตั้งรับอิสลามเนี่ยมันป่วยเหมือนเขาอิสลามไม่ดีน่รับอิสลามแล้วป่วยพี่น้องมันเราหน้ากลัวนะคนที่รับอิสลามแล้วเจออะไรนะเจอปัญหาท่านผมเลยเตือนคนอัลลอฮที่รับอิสลามนะระวังนะเวลาได้รับความลําบากอย่าคิดว่าการเป็นมุสลิมนี่ไม่ดี เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยนบีเหมือนกันท่านอะไรนะท่านอุสมานบินบินอา บ, นบินอสัสเป็นพี่น้องครับไปหาท่านละซู ล, ล, ลุละฮ์สุลตล่านละซัลลัมวาจาอันยยูฟีจัดซาดิฮิมุนซุอัสลามาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นน้องตั้งแต่รับอิสลามมานาบีก็สอนอามี น, นบีบอกว่าเอามือที่อ่านบุญกี้เนี่ยเอามือไปวางที่ไหนที่ร่างที่อันที่เจ็บเนี่ยเอามือไปวางแล้วก็อ่านดูอาไงนะ อาอูอ uh บิลบิลลาฮิวกุดรอติฮิมินชัลริมาアジดุวะอูฮาซิรูนบีสอนไปเลยพี่น้องกลัวไหมว่าฉันจะลาอิสลามแล้วเป็นอิสลามแล้วมีแต่ปัญหาปัญหาปัญหาไม่ใช่คนที่เจ็บไข้ใดป่วยถ้าเป็นมุสลิมมี إ ي م านต่ออัลลอฮ์ลดโทษหรือไม่ลดลดครับถ้าฝังขานุนลดไหมไม่ลดครับอัลอเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มตลอดเวลาพี่น้องครับ ท่านไซนาอุมาร์ขอเล่าอนนี้นะครับพี่น้องไซนาอุมารนี่เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีที่สุดท่านยืนอ่านคุตบานพี่น้องแล้วก็ทองมันมันร้องทองรอ้องมานความว่าไงหิวข้าวมีนะเป็นเป็นประนาทิทีดีอ่ะปกครองประเทศสิสองสิสองเมืองพี่น้องครับปลอบอักบัติหิวข้าวทองรอ้องจอกจอ ก, จอก ท่านพูประ่าไงพูดกระทองกระทองเอ้ยเด็กๆข้างนอกยังไม่ได้กินอาหารน่ะเองไม่มีสิทธิกินน่ะหิวไปก่อนหิวไปก่อนให้เด็กข้างนอกกินก่อนให้แม่ม้ายกินก่อนให้คนจนกินก่อนเป่นไหมพี่น้องนี่ไอความคิดแบบนี้นะ่ะมาจากไห น, นเพราะอีมานเพราะตักวาเพราะอยากินอิคลาสอัครากนต้นบีพี่น้องเอาวันนี้ผู้นําประัาประเทศนะ่ะไม่ใครหิวบ้าง เยก็มีโรคระบาหวานตามมาพอกินเยอะไขมันตามมาหมลดลดลุ้งลดน้อยไขมันเยอะเพราะมันกินเยอะพี่น้องครับนี่ไงอัคลาคของท่านนะดีครันพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความสำคัญกับไครนะกับอีหม่านในพี่น้องตัวเราจะเบาไปหมดเลยอายะสุธาทราบพี่น้องฮัตติยาฟาตฮนาอัลเลหิมบับบะ ザอาซาบิน شد ิด إذاهم إذاهم فيه مبلس มุบ mu บบ ALLAHU AKBAR พี่น้องพี่น้องครับเวลาอาซาบมาเนี่ยวิธีที่จะลดอาซาบให้ขอดูอากรูดเห็นไหมคนฟังกันนี้นะเวลาบละมาฟิตนมา ทำไงครับให้นอบน้อมถ่อมตนต่ อ, ออัลลอฮฺอัลออลอฮฺพี่น้องให้นามาสห้าเวลาให้ขอดูอาโกนูทุกเวลาห้าเวลาแต่ให้ข้อเรออาอ่านสุดท้ายเนือจารุกุ๊กให้อ่านกุรอานคุบูตต่างๆคนฝักตนีดด้ใครสอนนบีสอนมีคนทํำไหมมีตัวส่นใหญ่ทำตัวอาโกนูซุบุกทำซู บ, บุกหมดเลยพี่น้องทัศนค์ฝ่ายอิหมามชาเป็นไง แต่อุลมามะหลายคนบอกว่า h a ด i เก้ h a d ิ t อ่อนอิหม่ามชาไมีเนี่วลาไปนมากับอิหม่ามกุมฮานิฟฮานาฟีเนี่ ย, ไ ม, มมมยไม่อ่านกุนูดนะไม่อ่านกุนูดก่อเล่าให้พี่น้องฟังครับอ่าพี่น้องฮัตจ์อิราฟตานาอลลอฮิิมจนกระทั่งจนกระทั่งเมื่อเราได้เปิดประตูฟาต้านาแปลว่าเราได้เปิดนะครับเจ จนกระทั่งเมื่อเราได้เปิดประตูแห่งการลงโทษอาซาบันบาบันแปลว่าประตูฟัตฮนาเราเปิดจนกระทั่งเมื่อเราได้เปิดประตูแห่งการลงโทษอันสาหัสคือตอนรวยก็หาความสุขนะครับแล้วก็เวลาได้รับการลงโทษอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้หาขาจัดเอาบาปออกเอาบาราออกเยาะยิงจองหองไม่เคยนึกถึงอัลลอฮฺ เวลาอัลลอ์ลงโทษจริงๆอิละหุมฟีมุบลิซูนเป็นไงครับพวกเขาเหล่านั้นหมดหวังอัลลอฮ์ไปน้องท้อแท้ใจเลยหมดหวังเลยร้องตะโกนอย่างกะวัวเชื่อดเวลาโยนเข้าไปในนรกไปน้ อ, นองนั่งไงไปน้องทั้งหลายเห็นอย่างนี้ฉะนั้น คนที่ไม่เอาอัลลอฮ์มีปัญหาเดือดร้อนแก้ปัญหาไม่เป็นแก้เป็นไหมไม่เป็นนมาศอ่านดุอากูนูศก็ไม่เป็นขอดูอาก็ไม่เป็นยกมือขอดุอาก็ไม่เป็นนึกถึงอัลลอฮ์ไม่เป็นเวลาเจออาญาอัลลอฮ์เป็น้องครับฉะนั้นกูอ่านนี่สอนเราทีนี้อายาที่ผ่านมาครับเราสอนอย่างงี้คนนี่เป็น้องครับคนฝังคนุนเนี่ยนะ เวลาได้รับอาสาบเนี่ยฟามัสตากานูที่ผ่านมาแล้วนะพวกเขาไม่นอบน้อมวามายาตาดรอและพวกเขาไม่ถ่อมตนคนฝังขนูนเวลาได้รับความลําบากไม่นอบน้อมแล้วก็ไม่ถ่อมตนพี่น้องเราหลายคนทําตัวเป็นคนฝังขนุนฉะนั้นคนฝังคนนี้เวลาได้รับความลําบากมีมุซีบา เขาจะโนบนอบแล้วก็ทอมตนตลอดเวลาแล้วอเลอจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดเลยสามีทะเลาะ ก, กันดีไหมกับภรรยาทะเลาะ ก, กันทำไมอเลออกรบา ด, บาดคนฝั่งกั น, นู้นทะเลาะ ก, กันฟงฝังกันนี้ต้องเอาอักราของท่านนาบีมาใชา้สงสารภรรยาสิเอาอักลาของนบีครับว่าเนี่ยของท่านไซนาอุมัดไปใช้ไซนาอุมัดบอกว่าฉันนี่นะให้เกลียดภรรยาฉันพ่อภรรยาทำสีเรื่องสีรายการ นึกได้ไหมทารกได้หนึ่งคลอดลูกให้ฉันมันเดีเหนื่อยเลยอันที่สองเลี้ยงลูกแทนฉันอันที่สามหุงอาหารให้ฉันได้ทานอันที่สี่อะไรครับซักเสื้อผ้าให้ฉันใสไซนาอุมารนะเป็นลูกศิษย์นบีนะคนฝั่งตะนี้นะมีอิหมานมีตักวามีเอียสานมียากรนมีอัครลากนบีกล้าพูดฉันไม่เคยด่าภรรยาฉัน ฉันไม่เคยตบภรรยาฉันฉันไม่เคยตำหนี่ภรรยาเพราะภรรยามีสิ่งสี่อาการที่ดีมากเลยไปน้องตำอักลากนี้ไปใช่ไซนาอุมัดตกตกมุรตัดอ่ไม่ใช่ไปน้องไม่ตกมุรตัดพิชิตเมืองต่างๆได้หนึ่งพันกับสาสบหกเมืองตกมุรตัดแล้วก็ไซนาอุมัดสร้างมัสยิดหลังจากพิชิตเมืองแล้วนะสี่พันมัสยิด ต, ตกมุรตัด นี่ไงเพื่น้องครับท่านอย่ามองภาพสวบสุขปรกสวบเป็นคนสะอาดเป็นคนดีปกป้องศาสนานี้เผยแผ่ศาสนานี้แบกให้เจริญงกงามแต่นั้นอะไรนะโรวาโรอิรอรออตันนาะสยาดุคูลูนาะฟีดีนิลาฮิอฟวาจาศาสนาของอัลลอฮ์นั่นจะมีคนเข้าไม่มีคนออกแต่มีบางกลุ่มบอกว่าออกเอ้าเชื่อใคร ชื่ออัลลอฮ์ว่าใช่ัลลอฮ์ว่ายาคุรูนาฟีดีนิ่ละถ้าจะออกต้องพูดยาคุรูยูน่จะออกกันหมดนี่กับเขา้าเขา้าเขา้าตักันถึงกับเอาพี่น้องก็ขอฝากท่านพี่น้องนะครับว่าหัวใจของเราต้องผูกพันกับอัลลอฮ์เหมือนบรรดานับีเหมือนบรรดาซุฮบานาบดุบีเวลามีทุกข์มีความเดือดร้อนให้นึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์ถ้ามีบาระมาให้นามา ถ้าเวลาอย่าขาดแล้ขอด้อกูนูดหลังจากรุกววครั้งสุดท้ายมนเคยขึ้นมาก็อ่านอัลลอฮุมมาดีนีฟีมันตดยกมือบ้างไม่ยกมือก็ได้ได้ต้องสอนอย่างนี้พี่ต้นนะครับสุภานัลลอฮุมมาวยังทดีกอัชดลาอิลฮอิลลัฮ์อันตะอัสตักฟุุกวาตบยไลกัลมุอะลัยคุมรราะห์มตุลลอฮ์ะบรกาตุ